โอ้ที่นี่ไม่เคยมีญาติโยมเยอะเท่านี้นะนะเยอะๆพูดไม่ถูกคือแต่ละคนที่พูดยากเพราะแต่ละคนเนี้ยก็ฝึกมาคนละแบบสองแบบนะต่างๆกันคือถ้าอาตมาพูดว่าการปฏิบัติต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แล้จะยุ่งเพราะพวกเราฝึกมาคนละแบบสองแบบนะ พูดเฉพาะหลักการปฏิบัติก็แวกันบุกเมื่อเช้าฟังไปรอบนะ้ะเมื่อเช้าฟังรอบไปหนึ่งนะแต่กลับก่อนก็ได้นะ <c oughs> วันนี้วันมาคบูชานะพระเจ้าแสดงโอวาะปะทปาติโมกไม่ทำบาปต้องพวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผรฟังแล้วเหมือนมีงานเยอะฟังแล้วเหมือนมีงานเยอะนะถ้าจะ ปฏิบัติแบบชาวโลกเขางานเยอะจริงๆจะไม่ทำบาปทั้งปวงก็งานเยอะแยะเลยจะทำกุศลให้ถึงพร้อมก็มีงานเยอะแยะเดี๋ยวที่โน้นก็สร้างกุศลที่นี่สร้างกุศลนะเรียกอะไรกันเรื่อยๆทำกุศลให้ถึงพร้อมทำเท่าไหร่ก็ไม่พร้อมอกเนาะทำจิตให้ผ่องแผ้วทำยังไงก็ไม่ทราบแต่ถ้าเราจับหลักของการปฏิบัติให้ได้เนี่ย ถ้าเราจเจริญสติปัฏฐานอย่างเดียวจะได้ครบทุกอย่างถ้าเรามีสติสติปัฏฐานเนี่ยสติตามรู้กายสติตามรู้ใจเมื่อไรเราเกิดสติขึ้นมาเมื่อนั้นบาปอากุศลเวนันทุกละเรียบร้อยแล้วเพราะบาปอากุศลทั้งหลายเกิดได้เฉพาะตอนเผลอเท่านั้นตอนมีสติจะมีบาปนีอกุศลไม่ได้เด็ดขาดเมื่อไรมีสติขึ้นมารู้กายรู้ใจอยู่เนี่ยกุศลถึงพร้อมเลย เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างยิ่งเลยศีลก็มีสมาธิก็มีปัญญาก็มีในขณะที่เรามีสติขึ้นมาจิตใจก็เป็นปกขีไม่ถูกกิเลสครอบงําไม่แฝงไปแปฝงมาเรามีศีล น, นะคนผิดศีลเพราะว่าถูกกิเลสครอบงําเช่นไปหลงรักสาวเลยไปเป็นชู้กับเขาอะไรอ ย, อยากได้ของเขาก็ไปขโมยของเขาเนะี่ยมันผิดศีลเพราะกิเลสครอบงํา ถ้าเรามีสติอยู่กิเลสครอบงำไม่ได้ศีลก็มีเองสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตนะไปแปลว่าความสงบนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นจิตตั้งมั่นคือจิตไม่หลงไปไม่ไหลไปจิตของคนทั่วๆวไปไม่ตั้งมั่นชอบหลงไปทางตาหลงไปทางหูจมูกลิ้นกายใจหนะลงทั้งมันนั้นเวลาหลงภาคสอรจะสอรให้รู้จักว่าหลงเป็นยังไงนะตรง น, นี้ เรารู้จักถ้าเราจิตตั้งมั่นแล้วเราถึงจะเกิดปัญญารู้กายรู้ใจได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลงอยู่รู้กายรู้ใจไม่ได้เหมือ น, นเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่เราหัดเจริญสติเนี่ยกุศลของเราถึงพร้อมมีทั้งศีลสมาธิปัญญาอากุศลก็ถูกละไปแล้วทันทีที่รู้สึกตัวอกุศลเกิดไม่ได้ะเมื่อไหร่เราสามารถรู้สภาวะธรรมนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจิตมันจะพองแฉว มันจะหลุดออกมามันจะถอดถอนตัวเองออกมาจากกองทุกข์จิ์ของคนทั้งหลายนี่ถ้าไหลเข้าไปไหลเข้าไปแล้วไปอึดอัดอยู่ข้างในดูออกไหมเขียวไปเห็นไหมเข้าไปแน่นๆอยู่ในหน้าอกนะถ้าอกหักเมื่อไหร่นะยิ่งแน่นกว่านี้อีกนะพอเอ็อนะพลาสติดนี่แหมมันรู้สึกเบาๆนะแต่ความจริงถ้าเราภาวนาไประยูเอ็นพลาสติตก็แน่นเหมือนกัน จิตใจหวือหวาดีใจขึ้นมาก็ทุกข์เหมือนกันนะงั้นถ้าเมื่อไหร่เราสามารถมีสตินะรู้สภาวะธรรมตามที่เขาเป็นคือรู้กายรู้ใจสภาวะธรรมคือกายกับใจนะอย่าไปดูอย่างอื่นนะไม่ใช่ว่าไปดูนะผู้หญิงสวยบอกเห็นผู้หญิงสวยรู้ว่าผู้หญิงสวยนี่ไม่ใช่รู้สภาวะธรรมนะมีคนหนึ่งนะมาเรียนแล้วก็บอกเข้าใจแล้วการปฏิบัติง่ายตายไป นะถ้าผมได้ออกไปน่า อ, อุตลาได้กลิ่นดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมเนี่ยเราฟังเราไม่รู้เรื่องเลยนะดอกไม้หอมไม่เกี่ยวอะไรกับกายกับใจเรานะ่นั้นดอกไม้หอมใจเรายินดีเนี่ยรู้ว่ายินดีฝ่าจิตใจเรารู้ทันสติปัญญาเรารู้ทันลงไปจิตใจกํลาลังเคลื่อนในดอกไม้หอมเนี่ยกิเลสก็กระเด็นออกไปจิตใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยจิตพ่องแผ้วขึ้นมาแนละ ผ่นะองแผ้วขึ้นชั่วคราวดเดี๋ยวกิเลสก็จอนมาใหม่มีสติรู้ใหม่ก็ผ่องแผ้วขึ้นชั่วคราวทำไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันพลิกตัวเองปฏิวัติตัวเองนะผ่องแผ้วทีนี้ผ่องแผ้วจริงๆเนื่อที่ท่านสอนบอกว่าละบาปอากุศลทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผ้วเนี่ยจะทำด้วยวิธีอื่นไม่ได้ทำไม่พอทำยากต้องทำด้วยการมีสติ มีสติสามรู้กายรู้ใจนี่เราจะรู้กายรู้ใจได้เราต้องไม่ใจลอยต้องไม่เผลออัน <_ letter> นี้เรียกว่าจิตมีความตั้งมั่นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเจริญสติก็เจริญปัญญานะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นก่อน <_ letter> อย่าให้จิตมันหนีไปอย่าให้จิตมันหลงไปถ้ามันหลงไปแล้วไม่ตั้งมั่นแล้วรู้ธรรมะไม่ได้เมื่อจิตใจตั้งมั่นให้ก็ให้รู้ลงไปในกายนะกายมีอาการอย่างไรรู้วอยู่ในอาการอย่างนั้น อย่างเราขยับขยื่อนใหม่ๆอย่างคุณหมอรังสรรค์หัดนะหลวงพ่อสอนให้ขยับมีจังหวะเนี่ยจังหวะเพื่อกระตุ้นความรู้สึกตัวพอเรารู้สึกตัวเป็นบ่อยๆเนืองๆจิตคุ้นเคยที่จะรู้สึกตัวแล้วเนี่ยต่อมาเราเผลอพเราเผลอเราเกิดขยับตัวขึ้นมาเห็นเพื่อนเดินมาแต่ใจาขยับจะไปทักเขายพอเราไหวตัวนิดเดียวเนี่ยสติมันเกิดเองเพราะมันเคยเกิด ที่มันเคยเกิดเพราะเราเคยฝึกขยับแล้วรู้สึกตัวแต่ถ้าฝึกขยับให้เคลิ้มก็ไม่เกิดเลยนะงั้นไม่ขยับให้เคลิมไม่ขยับให้สงบแต่ขยับให้รู้สึกตัวนะี่หัดไปหรือคนไหนไม่ชอบจะรู้กายก็มารู้เวทนาก็ได้เข้ารู้ความสุขความทุกข์ในใจเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะแต่ต้องรู้สึกตัวนะถ้าไม่รู้สึกตัวเราก็รู้ความสุขความทุกข์ไม่ได้ ใจลอยไปที่อื่นอย่างเงี้ยคือว่าใจลอยไปที่อื่นยุงกัดก็ไม่รู้สึกไม่เจ็บรู้ไม่ได้หรอกความทุกข์นั่นต้องค่อยรู้สึกตัวแล้วก็มารู้เวทนาก็ได้จิตใจเราไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เฉยเฉยมีอยู่สามอย่างใครเศร้ารู้ไปจะไม่มีเวลาเหลือเลยไม่มีช่องว่างถ้าสังเกตให้ดีอารมณ์ในสติปัฏฐานแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นอารมณ์ที่เกิดตลอดเวลา เส้นหายใจเข้าก็หายใจออกนี่ครอบคลุมเวลาทั้งหมดแล้วยืนเดินนั่งนอนนี่ครอบคลุมเวลาทั้งหมดแล้วสุขทุกข์เฉยเฉยนี่ครอบคลุมเวลาทั้งหมดแล้วจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลนี่อันเดียวนี้แหละก็ครอบคลุมทั้งหมดแล้วเมื่อเราทําสติปัฏฐานเจยสังเกตให้เดียวจะมีอารมณ์นหนึ่งขึ้นมาที่เราคอยรู้เรื่อยๆเพื่อกระตุ้นให้สติเกิดบ่อยๆสติเกิดแล้วใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมา พอใจไหลลงไปอีกอันนี้ใจจะเห็นทุกข์นะคนทั่วๆไปเนี่ยใจไหลใจหลงอยู่ในโลกของความคิดหลงเข้าไปทํางานอยู่ภายในใจเจ้าของไม่เคยเห็นเจ้าของไม่รู้หรอกว่าทุกข์คล้ายๆกับเราทุกข์จนชินอ่ะถ้าเทียบกาคล้ายๆกับบ้านเราเนี่ยอยู่ข้างอที่ทิ้งขยะของกรทมหรืออยู่ข้างเชิงตะกรเผาศก บ, บ้านเราอยู่ใกล้ๆเมน ได้กลิ่นข้เผ า, เาผีทุกวันเลยตั้งแต่เด็กๆไม่เหม็นเท่าไหร่หรอกใชจก็ไม่มันเหมือนกันใจคลุกอยู่กับทุกมาตลอดไม่ทุกเท่าไหร่หรอกไม่เห็นทุกหรอกวันไหนเราย้ายบ้านออกไปห่างเชิงะกรนห่างเมียนหน่อยพอกลับมาที่เดิมนี่จะเห ม, นเ ม, นเมนเ็นเหม็นเหม็นเป็นพิเศษ จ, จิตก็เหมือนกันจิตเคยจมอยู่ในความทุกข์ถ้าเมื่อไรจิตรู้สึกตัวขึ้นมาจิตจะหลุดออกจากกองทุกชั่วคราว พอจิตเคลื่อนเข้าไปอีกเคลื่อนเข้าไปหาอารมณ์อีกจะเห็นทุกชัดเลยคราวนี้เพราะงั้นเราต้องรู้สึกตัวเราถึงจะมีปัญญาเห็นทุกได้การเห็นทุกก็เห็นหลายอย่างนะพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจสี่บอกทุกให้รู้คนทั่วๆไปเขาก็บอกเขาก็รู้เหมือนกันทุกเช่นอกหักเป็นทุกนะแฟนทิ้งก็เป็นทุกตกงานเป็นทุกหุ่นตกก็ทุกรถติดก็ทุกนะ อาการร้อนจัดกทุกข์ในทุกไปเรื่อยๆถ้าสังเกตให้ดีความทุกข์ของคนในโลกก็คือความทุกข์เนื่องจากไปสัมผัสกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจงั้นเมื่อไหร่ได้สัมผัสอารมณ์ที่ชอบใจเขาก็ว่ามันสุขเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ไปงั้นยังไม่ใช่ปัญญาในทางธรรมะจริงๆนี่พวกเราผู้ปฏิบตัติเราสังเกตที่ใจเราใจเราเกิดความอยากเกิดความดิ้นรนเมื่อไหร่ใจมีความทุกข์ เ่เราเริ่มฉลาดมากขึ้นล่ะอยากใส่บาตรนัดเพื่อนแล้วเพื่อนมาช้าชักโมโหเพื่อนอากูสนเกิดทุกเกิดหรือกังวลใจกลัวไม่ตื่นนะตั้งนาฬิกาแล้วกลัวไม่ตื่นอีกนอนหลับหลับตื่นตื่นทุกมากนะถ้าเราคอยสังเกตเราจะรู้เลยว่าความทุกข์มันเกิดจากใจเรามันอยากแล้วมันดิ้นรนนะนี่เป็นทุกข์ของนักปฏิบัติ นี่พอเรารู้ว่าใจเราไหลเข้าไปยึดอารมณ์เมื่อไหร่เราทุกข์สมาจิตจะค่อยๆถอยออกมาจิตจะตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นะจิตไม่ไหลเข้าไปทํางานทั้งในอีกละจิตตั้งมัน่นเรียกว่ามีสมาธิบริบูรณ์คนไหนมีสมาธิบริบูรณ์เขาเรียกว่าพระอนาคามีใจตั้งมั่นขึ้นมาจริงๆไม่ไหลเข้าไปล้วใจของเราชอบไหลไปทํางานถ้าใจของพระอนาคามิไม่ไหลเข้าไปลงเข้าไปอย่างนั้นอีกละ มาดูต่อไปอีกก็ะจะเห็นทุกข์อีกตัวหนึ่งนะอย่างชาวบ้านรู้ว่าอารมณ์ไม่ดีเป็นทุกข์ผู้ปฏิบัติจะรู้ว่าถ้าจิตไม่ดีเราทุกข์นะแต่พอปฏิบัติมากเข้ามากเข้าก็ไปพบทุกข์อีกชนิดหนึ่งมีจิตเก็มีทุกข์เนี่ยมีกายก็มีทุกข์มีจิตก็มีทุก ข, กกกก ข, กกข์ถ้าเห็นทุกข์ตัวนี้ก็จะไม่มีที่ไปไม่มีที่เกิดแต่ถ้าเราเห็นว่าอารมณ์ดีเป็นสุขอารมณ์ร้ายเป็นทุกข์เราจะเที่ยวหาอารมณ์ดี แค่หนีอารมณ์ร้รายนี่ไปเกิดอีกไปเกิดในการ ม, มาวาจรเป็นสัตวน์นรกเป็นเปรตตุลกกายเป็นคนแต่เป็นเทวดาถ้าเห็นว่าความสุขมันอยู่ที่ใจสงบอันนี้ก็จะไปเป็นพรหมถ้าเห็นว่าตัวกายกับตัวใจนั่นแต่ตัวทุกข์เนี่ยถึงจะนิพพานได้โอ้สารรากขว่าใหญ่แล้วเนาะมือ่อนนั่ง เอาใครรู้สึกมั่งว่าใจตอนนี้กับต่กี้ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมใจขนาดนี้กับเมื่อกี้เนี่ยไม่เหมือนกันละเราไม่ได้ฝึกให้ใจเราเหมือนกันทั้งวันนะเราฝึกเพื่อจะรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงนี่ฝึกให้เห็นอย่างนี้ฝึกให้เห็นว่าไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบางคนก็สงสัยนะว่าเอ๊ะปฏิบัติแล้วทาไมมันไม่มีความสุขเลย อีกพวกหนึ่งบอกปฏิบัติแล้วมีแต่ความสุขโอ้ยสุขยังคุณปลางเห็นแว บ, บๆเนี่ยนั่งปฏิบัติแล้วมีความสุขอีกพวกหนึ่งปฏิบัติแล้วโอ้ยทุกข์ยังเลยคือถ้าเราเริ่มต้นปฏิบัติปฏิบัติถูก ม, มันก็มีความสุขเนะปฏิบัติไม่ถูกเป็นต้นว่าไปบังคับใจไปบังคับอารมณ์อย่านี่ก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าฝึกไปมากๆนะเก็บความว่ า, อาโอ้ไม่เห็นมีความสุขเลยตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ แล้วปฏิบัติแล้วเห็นแต่ทุกข์นั่นกลายเป็นพวกเก่งกว่าเพื่อนเลยใครจะถามอะไรเชิญคุณมาจากไหนเคยมาไหมเออฝึกมาจากไหนไหมเคยฝึกปฏิบัติไหม อ, อ, อ่านได้นะแต่อย่าคิดเยอะห <c oughs> <c oughs> นะสือเราจำเป็นต้องอ่านธมมรรมะเราจาเป็นต้องฟังเราคิดเราเองไม่ได้เราฟังเพื่อให้รู้หลักปฏิบัติ วันนี้พวกเราฟังอลงพ่อเนี่ยฟังครั้งแรกอาจจะงงงหลายคนเลยสารภาพมาฟังแล้วงงฟังแล้วเหมือนถูกชกหาทางกลับออกจากวัดไม่ได้บางคนไปบอกน ะ, นะ <c oughs> แต่ไม่ต้องตกใจนะมีหนังสือให้อ่านเนี่ยทราบไหมเสลอละดูออกไหมเมื่อกี้เน่ะเสลอไปละตอนหันไปคุยกันลืม หลวงพ่อไม่ห้ามนะเสือเศอแล้วรู้ไวๆเพราะมันห้ามไม่ได้คุณหมอหนี้วิคิดรับ ไ, ไหมคุณหมอรังสรรค์มันถลัมไปอยู่ในโลกของความคิดเราไม่ห้ามเพราะห้ามไม่ได้เราเฝ้ารู้ไปเดี๋ยวจิตก็ไปทางตาเดี๋ยวจิตไปทางหูเดี๋ยวจิตก็ไปทางใจคอยรู้เท่าทันถ้ารู้ทันจิตที่ไหลไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจหลักๆ ก, ก็ตาหูกระจาย ไปเยอะถ้าเรารู้ว่ามันไหลไปจิตจะตั้งมั่นจะรู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวแล้วพอรู้ลงที่กายกายไม่ใช่เรารู้ลงที่จิตจิตก็ไม่ใช่เราเพราะความเป็นเราเกิดจากความคิดเท่านั้นเองไม่ได้หลุดออกจากโลกของความคิดกายกใจไม่ใช่เราแล้วอันห้าไม่ใช่เราถ้าคิดเอาก็เป็นเราตลอดเป็นไงคุณแอนฟื้นหรือยัง วิทยายุทธฟื้นคืนมาหรือยังเนี่ยแค่ไหลไหลแปบรู้บูเล่นเท่านี้พอแล้วนะอย่าคิดมากฟังธรรมรถแล้วยิ่งคิดมากียิ่งยากนานนะมีที่คนหนึ่งฟงั่งธรรมมา20ปีเขาเกียรตมากคนนี้เก่งสารพัดวิชาการเลย ฟังไม่รู้เรื่องยี่สิบกีบางคนไม่คิดมากฟังสองสามประโยคก็รู้เรื่องละเบื้องต้นลองสังเกตที่ใจเราสีใจเราขนาดนี้กับใจเราเมื่อกี้ก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมใจเราตอนนี้กับตอนที่เพิ่งถึงวัดใหม่ๆก็ไม่เหมือนกันพีห่หัดรู้ความแตกต่างไปเรื่อยๆไม่มีอะไรยากอ่ะหัดรู้ไปอย่างนี้ก่อน ออมาเราก็จะรู้ว่าเออใจเราเนี่ยนอกจากมันเปลี่ยนแปลงความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงแล้วนะใจยังซับหนีไปที่โน้นที่นี้หนีไปทางตาเห็นคนเดินมาไปดูเขาแล้วลืมตัวเองหนีไปทางหูไปฟังเขาแล้วลืมตัวเองหนีไปทางใจแอปิดคิดแล้วลืมตัวเองจะเห็นมันหนีไปเรื่อยๆห้ามไม่ได้หรอกไหมมันสังเกตนะมันหลงปฏิบัติเนะี่ย จนักปฏิบัติตายตรงนี้เองตายตรงที่ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ส่งใจเข้าไปทำงานให้เรารู้ทันความปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งซะเองนะใจลอยไปทราบไหมหนีพิคิดเนี่ยหักอย่างเนี้ยหักสังเกตนะไม่ห้ามมันห้ามไม่ได้จะคอยรู้เรื่อยๆหนีไปแวบรู้แวบรู้หักไปเรื่อยๆดูความเปลี่ยนแปลงนะล้วจะพบว่าง่ายง่าย ง่ายเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนเลยอาจารย์มากจะสอนยากนะพระพุทธเจ้าจะสอนง่ายๆรู้สึกตั ว, วรู้กายอยู่ในาการอย่างไรรู้รู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นเคลื่อนไหวรู้แต่ไม่ใช่แจ้งทําเกิดความอยากปฏิบัติกันแล้วต่อไปนี้จะขยับมือลนะขยับยิ่งขยับยิ่งเครียด <c oughs> นะ ยิ่งปดิบัติยิ่งเครียดเพราะอะไรเพราะว่าคิดว่าจะต้องสงบในข่มใจให้นิ่งขมเี่ยใครมาขวางหูขวางตาดูยิ่งกว่าเก่าอีกสังเกตดูพวกเข้าวัดอ่ะกลับบ้านแล้วร้ายกว่าเก่า <c oughs> อยู่วัดสุภาพนุ่มนวล น, นะเดินผ่านมานี่แหมเดินโค้งอ้อมเผื่อเขาเป็นพระโพธิสัตว์ <c oughs> ตกลับบ้านใครขวาหูฝวงตาเอา สระโหนกเลี้ยงเหรอนี่เล็กปฏิบัติอย่างเก็บกดเกห็นไหมใจตอนนี้รู้สึกขำรู้สึกไหมดูออกไหเนี่ยดูความรู้สึกที่มันเปลี่ยนเน่หัดอย่างเนี้ยความรู้สึกของเรามันเปลี่ยนไปตามอะไรดูออกไหมเปลี่ยนไปตามสิ่งที่มากระทบอย่างพอหลวงพ่อพูดเรื่องตลกสลกรู้สึกไหมใจเราขแต่เราเปลี่ยนแปลง ถ้าเราไปเห็นอะไรสวยๆใจเราก็เปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดชอบขึ้นมานะไปเห็นคนถูกลดทับแหมเลือดโชกเลยใจสลดใจขยะขยงเนี่ยความรู้สึกของเราเปลี่ยนมันเปลี่ยนตามการกระทบนั่นแหละเพราะงั้นเรานักปฏิบัติเนี่ยอย่าหลีกเลี่ยงหัดสะนะลืมตาขึ้นมาเปิดหูเปิดตาอย่าเอาจะทาแบบพระปิดตาไม่เอานะพระปิดถาวานนะ เปิดขึ้นมาลืมตาตรงดูโลกอันวิจิตดุจราชรสงของพระราชาที่คนเข่าพากันไปติดอยู่แล้วลืมตาขึ้นมาแล้วก็รู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปนการปฏิบัติจะง่ายอยู่ในชีวิตจริงๆถ้าใครปฏิบัติแล้วก็แยกออกจากชีวิตปกติแล้วก็ปฏิบัติไม่เป็นหรอกถ้าคิดว่าการปฏิบัติเนี่ย นะพอถึงเวลาพอละทางแก้งเริ่มทําสํารวมขึมๆนะพวกหนึ่งก็ขยับท้องใหญ่พวกหนึ่งขยับมือพวกหนึ่งขยับเท้านะขยับไปเรื่อยแก้งหมดเวลาเอาเลิกคุยกันจักจักักแจ๊กนะเสิร์ฟเลินนะแต่เราไปแยกการปฏิบัติออกจากชีวิตจริงๆที่จริงการปฏิบัติกับชีวิตจริงๆกับวิปัสสนากับชีวิตจริงๆต้องอยู่ด้วยกัน พวิปัสสนาทําเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเมื่อใจคิดนึกทรงแต่งเราจะเห็นเลยว่าร่างกายเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจิตใจมันเปลี่ยนไปตามผละตามการกระทบเห็นไหมเมื่อกี้ขําตอนนี้เริ่มนิ่งเริ่มซึมแล้วรู้สึกไหมเนีย่ยต้องรู้ความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมหลวงพอ่อแกล้พูดโมโนโทนพูดเสียงเรียบๆเดี๋ยวเราก็เริ่มซึมนะอ ใ น, นเราถูกสิ่งร้ามายั่วใจเราก็แฝงเนี่ยเราเศ้ารู้ลงไปเราเลือกสิ่งที่มากระทบไม่ได้อย่างเรามีหูอยู่เนี่ยเราจะเลือกฟังแต่คําชมไม่ได้ก็ต้องมีคําด่าลอยมาบ้างมีตาอยู่ก็เห็นสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้แล้วแต่วิบากิพอมากระทบแล้วเนี่ยใจเราก็แฝงอันนี้กรรมปัจจุบันของเราละ เชิญเชิญเรื่องเดียวกันนะสมาธิอย่างที่หลวงพ่อบอกสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นคือจิต ไ, ไ, ไม่หลงไปไม่ไหลไปไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนต้องมีสมาธิทั้งนั้นแตนะสมาธิไม่ได้เกิดตอนนั่งแต่นั่งอยู่ด้วยความรู้สึกตัวนี่เรื่องนั่งสมาธิ เดินอยู่ด้วยความรู้สึกตัวเรียกโก้ๆว่าเดินจงกรมความจริงเดินจงกรมเป็นคำที่ไม่มีความหมายอะไรเลยเขาคำว่าจงกรมไปว่าเดินแคเน่เดินเดินนะถ้างั้นต้องเดินจงกรมบ๊อกกิ้งอย่างเงี้ย <c oughs> สิ่งที่สำคัญคือการรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงนะ ไม่ใช่อยู่ที่จิตถ้าอยู่ที่จิตเราไปรักษาจิตแต่เราคอยดูแต่แต่การปฏิบัติให้เข้ารู้ทันความเปลี่ยนแปลงที่จิตนะีย่ว่าสําคัญที่จิตก็ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสําคัญที่นั้นก็ได้เหมือนกันแต่ดูไปเรื่อยๆไม่ใช่เพื่อทําให้มันดีนะดูไปเรื่อยๆจนรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้าย ดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานได้เองนี่ดูให้เห็นความจริงตรงนี้สหาบางคนสงสัยโอ้ปฏิบัติทําไมปฏิบัตินานแล้วจิตไม่สงบถ้าปฏิบัติให้ถูกจะไม่บวดหรืว่าจิตไม่สงบเพราะอะไรเพราะว่าถ้าจิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่าน จิตสงบรู้ว่าสงบนจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะไม่เห็นต้องทําอะไรเลยให้การปฏิบัติจะง่ายแต่ถ้าจะทําจิตให้สงบยากนะเนี่ยสมถะสมถะนี่เป็นของที่ทํายากมากวิปัสนาทําง่ายเราก็ชอบคิดว่าวิปัสนายากสมถง่ายฉับกลับหัวกลับหางเรื่อยๆนะพระพุทธเจา้าให้รู้ทุกเราก็อยากละทุกข์นะ ฉันให้ละความอยากเพราะฉันจะอยากอะ่ะฉันอยากดีนะฉันจะอยากละทุกอยากปฏิบัตไิไม่เคยทําอะไรที่พระพุทธเจ้าบอกอะ่ะทากับข้างเรื่อยๆทากับข้างเรื่อยๆมไม่ได้อะไรขึ้นมาได้ความทุกข์เรียสมถะทํายากนะทําไงจิตจะรู้อารมณ์อันเดียวโดยเราไม่ได้บังคับอารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลด้วย รู้ไปเจอทั้งใจมันเคลา้าอยู่ในอารมณ์มันเดียวมีปีติมีความสุขไม่ใช่ทําง่ายส่วนสมาธิที่พวกเราชอบทําำนั่งแล้วเคลิม้มงกแ๊กงกแ๊กเห็นโ น, น้นเห็นนี่นี่มันมิจฉาสมาธินะอย่าไปฝึกยิ่งฝึกยิ่งแย่เนี่ยยิ่งพวกชอบอัดเทปอย่างเงี้ยตัวดีอัดเทปไปแล้วก็พอถึงกลางคืนนะเปิดเทปนั่งเคลิมได้ที่เลย นะนันะฝึกโมหะต้องฝึกรู้สึกตัวไม่ใชฝึกโมหะนี่จิตที่เป็นสัมมาสมาธนะิเรียนให้ดีอึ่งที่อาตมาพูดมาตั้งแต่เช้านี่คือการเรื่องฝึกให้จิตมีสัมมาสมาธินี่ทำไงจิตจะตั้งมั่นจิตจะรู้สึกตัวได้อา้าวเกี่ยวว่างไรการเพ่งเหรือเพ่งมันมีสองเพ่งนะถัาเพ่งตัวอารมณ์ อย่างสมมติวา่าเพ่งอย่างนี้ใจเราไม่ไปนีไปที่อื่นเลยเพ่งอยู่อย่างนะี้เกิดสมถะเกิดความสงบนะถ้าเพ่งอารมณ์จะสงบก็นะเรียกว่าอารามณูปนิชฌานการเพ่งอารมณ์ได้สมถะอีกอย่างหนึ่งคือการรู้ลักษณะนะรู้ความเปลี่ยนแปลงนะเช่นเราเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงในใจก็นะมีชื่อเพราะๆเหมือนกันเรียกว่าลัคนูปนิชฌาน การไปเพ่งลักษณะแต่ไม่ใช่ไปเพ่งเพ่งจ้องจ้องนะที่จริงก็แค่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนี่เป็นวิปัสสนาเพราะงะั้นเขียวจะเพ่งเพื่ออะไรละ่ะเขียวต้องการสงบหรือต้องการปัญญาสงบกับปัญญาคนล่อันกัน แ, แล้วให้มีปัญญาเพิ่มขึ้นอีกอย่างรู้ทันว่าใจเริ่มนิ่งนิ่งทื่อๆือ รู้สึกไหมว่าใจมันทื่ๆนิ่งๆแข็งๆขึ้นมาไหมหรือสบายอะไรนะไม่ไม่สนใจภายนอกสิสนใจใจของเราไม่ใช่ไปขยับนิ้วแล้วเหลือแต่นิ้วนะอ่ขยับนิ้วแล้วเหลือแต่นิ้วนี่หลงนะอเพราะฉะนั้นสมาธเนี่ไม่ใช่ทําเพื่อให้ใจเคลื่อนไปไหลไปไปกำหนดลมก็ไหลไปอยู่ที่ลมแล้วหลบตัวเองใช้ไม่ได้ขยับนิ้วแล้วใจไปอยู่ที่นิ้วเหลือแต่นิ้ว ลืมตัวเองใช้ไม่ได้นะเดินจงกรมดูเท้าเคลื่อนไหวใจไปอยู่ที่เท้าแช่อยู่กับเท้าลืมตัวเองก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราฝึกเพื่อให้รู้สึกตัวไหนลองข้อนิ้วไปสิทําให้หลวงพ่อดูหนีไปคิดแล้วนั้นไม่ใช่นิ้วแล้วสงสัยรู้ว่าสงสัยเห็นไหมขยับนิ้วแต่จิตเกิดความสงสัยไม่เห็น เอาทำไปทำไปทำได้ไหมหรือตื่นเต้น <c oughs> ตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้น <c oughs> ดีนะเนี่ยเข้าวัดแต่เด็กๆเลยสันมาครั้งแรกคนนิดเดียวนี่โตเร็ว ถ้าจะหลับก็รีบหลับหลับซะอย่าคิดอะน ะ, ะเดี๋ยวนอนไม่หลับจะ ย, ยุ่งแต่ถ้าเดินจงกรมนั่งสมาธิหมายถึงเจริญสติในอิริยาบถอื่นเมื่อเสร็จที่เราปวดหลังแล้วลงนอนนะนอนด้วยความรู้สึกตัวไม่ให้นอนให้หลับพล่านกันอย่างือ้นที่ว่า ป, ปฏิบัติในอิริยาบถสี่ะยืนเดินนั่งนะพอถึงนอนแล้วจะหลับนี่คนละเรื่องเลยนะ มันคือการเจริญสติในอิริยาบถนอนอย่างพอหลังมันเมื่อยลงนอนไปอ๋อรู้สึกผ่อนคลายเนี่ยจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะดูไปเรื่อยๆนะนอนไปเรื่อยๆมก็เมื่อยอีกแล้วใช่ไหมสมมติว่าไปถึงที่นอนหงายแหมสบายกางแขนกางขาซะหน่อยสบายนอนนานๆชักเมื่อยแลนะความทุกขบีบคนะเนอีกแ้วต้องขยับคลิกเห็นไหม อุตสา่าห์หนีไปหาความสุขถึงเตียงนอนแล้วความทุกข์ยังตามมาอีกต้องขยับหนีนี่เรียกว่าปฏิบัติในอิริยาบถนอนนะคนละเรื่องกับนอนหลับนะนอนหลับรีบรีบหลับไปซะคือ ม, มันจะอย่างนี้เราไม่วิ่งตามอารมณ์เรารู้อยู่ที่ใจอันเดียวนะไม่ใช่วิ่งไปทางตาไปทางหู อย่างเป็นสระเห็นสาวสวยมาวิ่งไปพิจารณาสาวไม่สวยหลอกศพกรกหนังหุ้มกระดูกคิดใหญ่เอาละเดี๋ยวเสียงมาแนละ้เสียงก็ไม่มีจริงหรอกเนะี่ยออย่างเงี้ยประสาทกินได้หรือวิ่งไปวิ่งมานะรู้อยู่ที่ใจอันเดียวแต่อย่าจ้องอย่าจ้องอย่าบังคับใจให้นิ่งนะค่อยรู้ความเปลี่ยนแปลงตามองเห็นสาวมาใจมันชอบเอลยรตรงสเปคชอบรู้ว่าชอบเนะี่ยอย่ารู้แค่สาวนะรู้ที่ใจ ได้กลิ่นดอกไม้หอมหม่ใจเราชอบรู้ว่าชอบเนี่ยะได้กลิ่นอะไรเน่าๆ น, นี่บรรยากาศก็กมืดๆ ด, ด้วยได้กลิ่นเน่าๆอีกแทนที่จะรู้ว่าใจไม่ชอบกลิ่นเหม็นแม่วแล้วกลัวผีกลัวผีให้รู้ว่ากลัวผีเนี่กลัวผีเป็นพระเอกตอนนี้อย่างอารมณ์ไหนเด่นที่ครอบงําพฤติกรรมของเราก็ดูตัวนั้น คือถ้าเรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยนะสิ่งใดแปลกปลอมเข้ามาในจิตในใจเราสติจะระลึกรู้เองนะเนี่ยสติเกิดขึ้นมาพอสติระลึกรู้ด้วยใจที่เราตั้งมั่นรู้สึกตัวอยู่เนี่ยสิ่งนั้นมันจะแสดงใจรักให้ดูนะอย่างเป็นตัวว่าเรากําลังเผลออยู่หรืเผลออยู่เราเกิดมีสติรู้ว่าเผลอสตินี้ไม่ให้แกล้งทําขึ้นมานะต้องเกิดเองเกิดด้วยการที่เราหัดรู้สึกตัวเรื่อยๆ พอ ม, มันเผลอรู้ว่าเผลอปั๊บเนี่ยขณะนั้นมีสติความเผลอยัขาดแะ่บ้านไปเองเลยนะเนี่ยปัญญามันก็จะสะสมไปอ๋อความเผลอเกิดแล้วก็ดับนะแต่เราไม่ต้องพูดนะปัญญามันเกิดขึ้นที่จิตเดี๋ยวจิตมันก็ได้ข้อสรุปเองอ่ะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา ส, สดังสราบารู้แค่นี้เองเพราะงั้นเฝ้ารู้ลงไปเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวโง่นะ บางคนมาบอกว่าผมเกิดความสงสัยขออนุญาตถามหลวงพ่อไม่ให้ถามแล้วผมจะเกิดความรู้ได้ยังไงนี่กลัวโง่ไม่กลัวทุกข์ถ้าอยากถามเนี่ยใจมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์หรดูลงไปสิความอยากเกิดขึ้นมาความอยากเที่ยงหรือไม่เที่ยงความสงสัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูเข้าไปถ้าเราเห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้นมาเราก็อยากถาม ถ้ารู้ว่าอยากถามก็ใช้ได้ถ้าดีกว่านะั้นความสงสัยเกิดขึ้นมารู้ว่ า, าสงสัยเห็นความสงสัยเกิดแล้วก็ดับใจนี่ปัญญาอยู่ตรงนี้ปัญญาไม่ใช่อยู่ว่าพอสงสัยแล้วก็ถามถามแล้วก็จําไว้นั่นความจําไม่ใช่ปัญญาเพราน้นเรียนธรรมะ ต, ต้องใจเด็ดเด็ดนะกล้าหาญอย่า ก, กลัวโง่ให้กลัวทุกข์นะอย่าไปกลัวโง่ถ้าใจหลงปรุงแต่งใจก็กกทุกข์แหละสัมปชัญญะคือตัวปัญญา ต้องมีสติสินะถ้าขาดสติก็ขาดปัญญานั่นแหละเพราะงั้นอย่างในมัคมีองค์แปดมัคมีองแปดเวลาเราปฏิบัติเราเริ่มที่สัมมาสติเมื่อมีสัมมาสติด้วยจิตที่มีสัมมาสมาธิใจตั้งมั่นมีสติรู้สภ า, าวะธรรมทั้งหลายที่ปรากฏอยู่เนืองๆคํ <c oughs> าว่าอยู่เนืองๆ น, นั่นแหละคือสัมมาวายามะที่มีความเพียรชอบ มีความเพี่ยนชอบในการที่จะมีสติรู้สิ่งที่มาปรากฏนะด้วยใจที่ตั้งมั่นอยู่หนึ่งเนืองจะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิคือเกิดตัวปัญญาหรือตัวสัมปชัญญะคือเข้าใจสภาวะทั้งหลายตามความเป็นจริงนะตัวปัญญาเพราะงั้นเราเรียนปริยัพเนี่ยเราจะเริ่มจากสัมมาทิฏฐิก่อนอย่างที่นั่งฟังเนี่ยฟังเพื่อให้เกิดสมาทิทฐิ เพื่จะล้างมิจฉาทิฏฐิเก่าๆเช่นคิดว่าการปฏิบัติคือการนั่งทําใจให้ขึมนๆนี่มิจฉาทิฏฐิคือการนั่งบังคับตัวเองมิจฉาทิฏฐิสั่งแล้วล้างตัวนี้ทิ้งซะมาฟังวิธีปฏิบัติคือให้รู้ทุกละสมูทไทละความอยากรู้ทุกคือรู้กายรู้ใจเรื่องสมาธิทิฏฐิทั้งนั้นพอมีสมาธิทิฏฐิแล้วถึงขั้นลงมือปฏิบัติเนี่ยโยสมาธิทฐิทิ้งไปก่อน มาทำด้วยสัมมาสติอะไรแตกปลอมขึ้นมาคอยะระลึกรู้ไว้ก่อนจะมีเจริญสตนะิใจต้องตั้งมั่นนะความตั้งมั่นใจคิดหลงไปในโลกของความคิดทราบไหมคุณผู้หญิงแม้ใจไม่ตั้งมั่นลืมตัวเองดูออกไหมลืมกายลืมใจแล้วจะไปทำวิปัสสนาได้ไงไทาไม่ได้คือปัญญามีหลายขั้น ปัญญาแรกเลยรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะเรียกว่าญาตะปริญญามีปัญญาตรีชายานรอบรู้ว่ามีสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นเช่นเห็นอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาในใจอาจจะแกนป้ายให้มันด้วยอ๋อราคะเกิดแล้ะอ๋อด่โทสาเกิดบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเกิดขึ้นก็ใช้ได้ไม่ต้องใส่ชื่อก็ได้นะนี่ปัญญาเบื้องต้นเลยนะการรู้เบื้องต้นเลยรู้สภาวะ ว, ว่ามีอะไรบางอย่างเข้ามา แลต่อมาก็จะรู้ลักษณะของมันนะรู้ว่าไอ้สิ่งที่มาเนี่ย mm. เกิดแล้วดับ mm. เกิดแล้วดับบังคับไม่ได้เนี่ยเห็นไตรลักษณนะ์ปัญญาขั้นสุดท้ายทำหน้าที่ตัดละ่นะคือจะปล่อยวางสภาวะนั้นทิ้งมายั่วจิตอีกไม่ได้ลนะเพราะงั้นปัญญาก็มีหลายระดับเบื้องต้นให้รู้ว่าจิตใจของเราเนี่ยมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาเฝ้ารู้ไปก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นปัญญาขั้นกลางละ่ะ ปัญญาขั้นสุดท้ายก็จะปล่อยวางอ๋อจิตเป็นของบังคับไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นี่ปัญญาขั้นสูงสงสัยทราบไหมรู้ลงไปที่ความสงสัยไม่คิดเอาพอความสงสัยเกิดเราถูกหลอกให้คิดดูอกไหมพอความสงสัยเกิดเราถูกหลอกให้คิดเราลืมรู้กายรู้ใจเพราะงั้นความสงสัยเกิดรู้ว่ากําลังสงสัยเห็นความสงสัยเกิดขึ้นมา นัแหละเห็นสภาวะธรรมกำลังทํำวิปัสสนาอยู่เห็นความสงสัยเป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราเป็นนามธรรมามันหนึ่งปรากฏขึ้นมาแล้วก็ดับไปนี่โซปัญญาความสงสัยเกิดขึ้นมาคิดใหญ่เลยบางทีก็ถามอยากถามพอได้ถามแนละ้วพอฟังคําต่าก็คิดต่อคิดอีกสงสัยอีกถามอีกแล้คิดกลับไปคิดใหม่เอ า, ากลับมาถามอีกนะกี่ปีก็ไม่เข้าใจธรรมะยังใจเด็ดเด็ดนะ ถ้าใจเด็ดๆแล้วง่ายที่สุดเลยสงสัยรู้ว่าสงสัยนะกลัวจะไม่รู้ทำรู้ว่ากลัวนะตั้งใจปฏิบัติรู้ว่าตั้งใจ น, ะนี่อะไรเกิดขึ้นในใจรู้ทันมันไปอย่างนี้นะความโลภเกิดก็รู้ความโกรธเกิดก็รู้ความรักเกิดก็รู้รู้ไปเรื่อยๆคิดแล้วสนุกไหมเนะี่ยรู้อย่างนี้นะไม่งั้นเราจะหลง เราจะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดไม่มีกายมีใจทำให้ปัตนาไม่ได้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมไม่หลุดออกมาด้วยทราบไหมเออแล้วไปคิดมันทำไมให้เหนื่อยเนี่ยแค่นี้เองเห็นไหมรู้สึกไหมว่าใจมันโล่งขึ้นมาตอนที่คิดแต่มันเครียดรู้สึกไหมนั่นแหละความทุกข์มันเกิดแต่เดิมนี่เราคิดทั้งวันเราไม่รู้ว่าทุกข์ นะแต่พอเรารู้สึกตัวไปแล้วพอจิตไหลเข้าไปคิดนิดเดียวเห็นทุกข์เลยเครียดงั้นเราเนี้เครียดทั้งวันเลยที่เราไม่เห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าเหมือนไปอยู่ข้างเชิงตะกอนข้างเมนรุไม่เคยเห็นเลยนี่ก็เหมือนกันจิตไหลอ ย, อยู่ในโลกของความคิดไม่เคยเห็นทุกข์หรอกถ้ารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วลงไหลเข้าไปสิทุกข์ให้เห็นเลยนี่เรียกว่ารู้ทุกข์เห็นไหมหลวงเข้าไปอีกแล้วเห็นไหมว่าไม่เลิกเห็นไหม อย่าพยายามนะไม่ต้องพยายามแยกนะพยายามแยกก็พูดตรงไปตรงมาคืออยากแยกอย่าอยากดูออกไหมหลุดออกมาลนะ้วเข้าไปสังเกตแล้วก็หลงเข้าไปใหม่เห็นไหเนี่หัดใปอย่างเงี้ยเอาใจลอยแล้วเสียชื่อหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อเทียนจนะรู้สึกตัวไม่มีใครเหมือนเลย ถ้าใครจะถามอะไรเชิญนะหรือว่าฟังอาตมาพูดแล้วแจมแจ้งแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่คิดมากง่ายนะอะไรหายเดี๋ยวหลวงพ่อถามบ้างถามอะไรรอบแล้วไปดูลมหายใจเพื่ออะไร ไปรู้เพื่ออะไรอะ่ะ น, นะนะเออต้องให้รู้สึกตัวนะส่วนมากไปรู้ลมหายใจก็ใจก็ไหลถล้ำลงไปหลงอยู่ที่ลมไม่รู้สึกตัวหรอกนะลมหายใจเล่นยากนะดูหายใจสักพักก็เคลิมแนละ้วะใจก็ค่อยๆลอยลอยเบลเบลลงเอาใหม่คราวนี้หายใจไปแล้วคอยรู้ทันใจไว้หายใจอยู่เนี่ยใจฟุ้งซ่านเดี๋ยวรู้ว่าฟุ้งซ่าน หายใจไปแล้วไปมันนี้หายใจไม่กี่ทีโดยใจสงบสงบแล้วรู้ว่าใจสงบนะ <c oughs> หายใจไปแล้วใจหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าหนีไปแล้วเนี่ยหายใจไปแล้วหัดรู้ใจไหมเคยปฏิบัติตามแนวหลวงพเทียนนะคะครั้งแรกเลยเท้าที่มาเดินรงกลงมอ่ะแล้วก็วมันเบาแล้วก็ทิ้งความคิดนะคะแล้วก็พูดออกมาตลอดเวลาเดินจงกรมก็จะพูดออกมาตลอเราพูดหรือว่าข้างในพูด พูดออกมาเลยครัพูดเป็นเสียงค่ะแต่ว่ามันเป็นความคิดแล้วก็พูดตามคามคิแล้วไปพูดตามมันทําไมอ่ะก็แล้วคนี้อาจารย์เสียมาท่านสอนบอกว่าให้เห็นแล้วก็วาเ อ, อววาเห็นแล้ววางสิไปพูดตามมันคสภาวะมันเป็นยังไงอาจารย์จิตมันฟุ้งซ่านฟุ้งไปเห็นใช่ไหมคะถ้ารู้สึกตัวอยู่ไม่ถูกมันครอบงำใชมไหมทำไมเกิดพฤติกรรมทางวาจาขึ้นมาโดยเราคุมไม่อยู่ถ้าเราหลงอยู่ให้ใคร อะไรก็ไม่สำคัญเท่าความรู้สึกตัวนะต้องรู้สึกตัวให้ได้เรียนตรงนี้ให้รู้เรื่องยากที่สุดก็ตรงนี้แหละพอรู้สึกตัวเป็นแล้วถัดจากนี้ง่ายแล้วรู้สึกตัวเป็นแล้วง่ายแล้วถ้ารู้สึกตัวไม่เป็นจะยากอย่างบางคนบอกว่าแม้ผมมีความโกรธมีโทสะผมก็เห็นอยู่ว่ามีโทสะทำไมโทสะไม่ดับสัทีแมนะ้ผมรู้สึกตัวอยู่แท้ๆเลยทาไมโทสะไม่ดับ ไม่ได้รู้สึกตัวจริงนะถ้ารู้สึกตัวจริงๆโทรศสามีไม่ไดนะ้มันเป็นสภาวะที่รู้บางคนบอกรู้ตลอดค่ะนะตากําลังลอยตางขวางๆบางคนเนี่ย <c oughs> จับแล้วค่ะรู้อืรู้นะไอ้รู้แบบนี้ใช้ไม่ได้นะรู้มีหลายแบบนะอย่างสมมติว่าเราไปยืนอยู่ริมแม่น้ำนะเรายืนอยู่บนฝั่งเราเห็นของลอยน้ำมาเนี่ยเราเห็น เห็นแต่เราสบายเราไม่เจียกน้ําะของนั้นลอยมาแล้วก็ลอยไปใช่ไหมแต่ถ้าตัวเราตกน้ําเราเห็นของลอยมาเนี่ยของนี้ไม่หายไปไหนเลยเพราะอะไรเพราะเราก็ลอยไปพร้อมๆกับมันอะใจไม่ตั้งมั่นเนี่ยลอยไปด้วยกันก็คลุกอยู่ด้วยกันอย่างนั้นแหะเพราะงั้นถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูรู้สึกตัวขึ้นมาทุกอย่าง่ะผ่านมาแล้วผ่านไปไฟพราอคูศลจะดับทันที รับปฏิบัติแล้วเครียดขึ้นมาเมื่อไหร่รีบหยุดเลยนะถ้าปฏิบัติแล้วเครียดแสดงว่าทําผิดแล้วความเครียดเกิดได้กับอากูสโรจิตเท่านั้นบางทีเราป <c> ฏ <oughs> ิบัติไปเพราะว่าพอเรานั่งรือสวดมนต์แล้วแต่จิตมันสบายถ้าติดจะสบายเล ย, ลยละ ม, ะมั น, นงนั้นเราก็ทําสมถะนะถ้าเราต้องการแค่นั้นก็บรรลุวัตถุประสงค์ละเราก็จะมีความสุขสวดมนต์ทุกวันดี าตายไปสุขติดีแล้วนะหลวงพ่าไม่ได้ตำหนิตีเสียนยิ่งเป็นตลาดต้องสวดมนให้มากๆากไ้โลกประสาทกินง่ายๆเจ้านายเยอะถ้ามีเพื่อนบางคนเขาปฏิบัติได้มากๆพอจแล้วเาก็คล้ายๆคุณนย น, นะแต่ว่าบางทีเขาออกข้าทางบางทีเขาออกพู เขอกเข้าใว่าอนั้นเป็นปะบาดที่ข้มากเขาไปแข่คุยกันวานะทีก็คือแปลว่ามันหลงแล้วมันหลงแล้วคือศาสนาพุทธเนี่ยจะเต็มไปด้วยเหตุผลไม่มีอะไรพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษามนุษย์ระบาดพูดภาษาเทพนูเทพประเทศไหนเคยดูในทีวีสอนบวชอ่ะเขามีงาน สุมนุ่มร่างทรงล่ะโอ้โหภัษาเทพเขาคุยกันเชื่อแจ้วเขารู้เรื่องกันเสร็จแล้วเขาก็ตัดภาพไปสีทัญญาาคุยกันเชื่อแจ้ว เ, เขารู้เรื่องกันเหมือนกันที่จริงแล้วในขณะนั้นเขาขาดสติขาดสตินะใจมันถูกอารมณ์เก่าอารีตารมอารมณ์เก่าๆที่อยู่ใต้จิตสํานึกมันทํางาน ศาสนาพูดจริงๆเต็มไปด้วยเหตุผ ล, ลใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลใช้ชีวิตด้วยความเคารพตัวเองเคารพในความเป็นมนุษย์เน้นไม่ใช่ยอมจำนวนกับเทพเจ้าใจลอยทราบไหมคุณใส่เสื้อดำตัวหนังสือเหลืองอดูออกไหมไม่เอานะอย่างเงี้ยตั้งใจทำแล้วใช้ไม่ได้ตั้งใจทำแล้วเครียด เห็นไหมเครียดลนะ้วผิดแล้วบอกแล้วเครียดปุ๊บเลิกเลยทำผิดแล้วเนี่ยใจเราแวบไปที่เขาดูออกไหมว่างเขียวถ้าพูดเรื่องคนอื่นแล้วเกียวสนใจยังหนุ่มอยู่ไงธรรมดาเสรแล้วรู้ไหมเออดีนะหัดอย่างนี้ อย่าเผลอยาวเผลอบ่อยๆดีนะยิ่งบ่อยยิ่งดีนะเผลอเชีช่ยวมวดแต่รู้นิ้วไม่รู้ใจมันนิ่งๆทื่อๆนะมันเป็นการไปเพ่งไหมเป็นสมสถะเฉยๆเป็นมิจฉาสมาธิ เนี่ยใจหนีไปคิดทราบไหมเออหัดอย่างนี้ต่างหากคิดว่าเวลาฝึออาากสมถะมันตกใจรู้ไหมเกี่ยวอ้าวเชิญเชิญคุณตลาดเวลาฝึก ไม่ไม่ต้องไม่ต้อ ง, อ, งอ่าเวลาจิตที่เข้าไปนิ่งสว่างร่างกายก็หายไปความคิดดับไปเหลือแต่รู้สึกสีวันเดียวนะพอจิตถอยออกจากส่วนนั้นให้รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยจิตที่สงบที่นิ่งตอนนี้ดับไปแล้วเกิดเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านแนทนมีปรัชนาต่อตรงนี้นะเพราะเพราะรู้ว่าเอ๊ะเคยฝืนจิตให้นิ่งได้อันนี้นเราประาะคั้งกับพอประทับอารมณ์โกรธหรือเจอม็อกเจอประชาชนมากๆอะไรเราก็โกรแล้วก็เอ๊ไมเรา เราเป็นแน่นอนเพราะว่าเราไปสงบเพราะสมถะสมถามันเป็นการสงบเพราะหนีมาเจอม็อบเขาหนีไม่ได้เลยไม่ส ง, ตองอ บ, บต้องอยู่กับปัญญาให้ปัญญาถึงจะได้นะเห็นเลยความโกรธเกิดขึ้นรว่าโกรธนะดูไปเลยแต่ว่าถือศีลห้าไว้ก่อนยิ้มนะห้ามไปโกรธระชาชนเนะื้ะสมถะช่วยเราได้นิดหน่อย ใช้กับชีวิตจริงต้องทำนี้ปัสนาว์คือรู้ความเปลี่ยนแปลงไปจนเห็นว่าเออใจมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะเมื่อไหร่เห็นว่าใจมันไม่ใช่เรานะ่ปลอดภัยและวเข้าจุดที่ปลอดภัยล้วถ้ายังเห็นว่าจิตเป็นเราอยู่ยังไม่ปลอดภยัยยังไม่หายโหลงยึดมั่นมั่นยึดอีกส่วนหนึ่งนะอั น, นเบื้องต้นเนี่ยแค่ล้างความเห็นผิดก่อนยังไม่ต้องล้างความยึดมั่นนะล้างความยึดมั่นจิตเอาไว้ให้พระอราหันต์ท่านล้างกัน เราไม่ล้างของเราล้างความเห็นผิดว่ามันคือตัวเราสังเกตไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราอย่างนั้นเราอย่างนี้ทั้งวันม่ะมีเราจริงๆเนี่ยถ้าเมื่อไร่เห็นว่าไม่มีเราอตัวนี้ไม่มีเมื่อไหร่อ่นะก็ปลอดภัยแล้วเนี้ว่าตกกระแสเอาหลงแล้วคุณดูออกไหมเนี่ยหัดอย่างเนี้ยหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะ ไม่ห้ามมันหรอกแต่รู้บ่อยๆอย่าหลงนานนะคนที่เขาไม่เคยฝึกเขาหลงวันละครั้งคือตั้งแต่ตื่นจนหลับของเราหลงแวบรู้แวบรู้ยิ่งเยอะยิ่งดีแสดงว่ารู้บ่อยไม่เอานะอย่าไปทำมันอย่าไปทำใจให้ทื่อๆเออเขียวรยู้เป็นงั้นน่ะนะมันเผลอไปแล้วรู้ทันนะดีแล้วมันอยากพูดถูกไหม กำลังรวบรวมคำพูดรู้ว่ามันกำลังเตรียมเนี่ยใครรู้ทันมันไปเรื่อยเรื่อยากว่าไงอืมเออเออมันเป็นวิธีสอนตัวเองนะแต่ว่าขณะที่เราไปนั่งคิด หลงหนึ่งครั้งเป็นเดรัจฉานหนึ่งครั้งเนี่ยกําลังหลงอยู่อีกครั้งหนึ่งและวต้องตอใหม่หลงสองครั้งเป็นเดรัจฉานสองครั้งนะได้สองล้ได้สองแทมแล้วนะใช่ไหมเพราฉั้นตอนที่ตอนที่เขียวรู้ว่าหลงไปเนี่ยตรงนั้นนจิตเขียวเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วตรงที่ไปทบทวนอีกทีก็หนะลงหนึ่งครั้งเดรัจฉานหนึ่งครั้งเนี่ยหลงครั้งที่สอง เมื่อก่อนหลวงพ่อเคยให้หัดติ๊กเหมือนกันดังนั้นเพื่อให้หัดให้ดูสภาวะหัดดูเวลาความโกรธเกิดขึ้นใส่หนึ่งคะแนนความหลงเกิดขึ้นหนึ่งคะแนนความโลภเกิดใส่หนึ่งคะแนนเสร็จแล้วรวมคะแนนเอนะถ้าความรู้สึกตัวเกิดก็ใส่หนึ่งคะแนนจิตใจคิดแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลใส่ช่องกุศลหนึ่งคะแนน เราเก็บคะแนนไปสักสิบห้านาทีเนี้เราจะชี้อนาคตได้ว่าเราจะไปเกิดเป็นตัวอะไร <c oughs> <c oughs> ค่อนข้างแม่นเลยนะตอนนี้มันคือการคอยเช็คอาจินะกรรมของเราว่าจิตเราทํากรรมชนิดไหนบ่อยกรรมอาจินะ ก, กรรมนี่เป็นตัวพาให้เกิดนั่นเลยอาจินะกรรมนี่ใช่ไหมที่ทำให้เป็นมนุษยใช่ใช่นะอย่างคนเคยชินที่จะโกรธโกรธทุกวัน แนะคะแนงความโกรธเต็มเลยไม่ต้องถามแล้วว่าจะไปไหนไปนรกนะเพราะมันตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วไอนะคนนี้เห็นอะไรก็อยากได้เป็นหมดเลยนะโลภมากเขาใส่ช่องเปรดไว้เลยยังนะไงก็เปรดถ้าไม่เปรดก็อาสุรกายนะี่สองอย่างถ้าใจลอยเรื่อยๆใจลอยครั้งหนึ่งขีดหนึ่งแต้มนะโกรธครั้งหนึ่งขีดหนึ่งแทมรวมแล้วใจลอยเยอะที่สุดเตรียมไปเลยเป็นเดรัจฉาน เกมนี้เหมาะกับการเล่นในฤดูร้อนเพราะเล่นแล้วจะหนาวถ้าใครจะเรียนจริงจังนะก็ค่อยมาวันที่คนน้อยนยหน่อยวันนี้วันจะตูลงท่าส น, นิบาทมากันโดยไม่นัดหมายแล้ว แล้วจะเรียนกรรมฐ า, านนะต้องทนนะต้องฟังแล้วฟังอีกอยากขยันทำต้องฟังให้รู้เรื่อ